อีกเป็นเวลานานสักเท่าใดก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกอยากจะทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างจริงๆเราก็สามารถจะหาสถานที่เหมา ะ, ะสักแห่งหนึ่งเพื่อจะได้ปรึกษาหารือกันให้เป็นที่สบายใจซึ่งเขาได้แนะนำให้เราไปยังแดนของภูมิสูงอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่มีใครขัดข้องในข้อเสนอเราก็เริ่มออกเดินทางและในขณะต่อมาก็ถึงชายแดนเคที่ติดต่อกับภูมิสูง ซึ่งเราได้เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเอ็ดวินได้พาเราเข้าไปในบ้านอันสวยงามหลังหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าดูจะอยู่ในชั้นสูงข่าบ้านต่างๆที่อยู่ภายในใจกลางภูมินี้เพราะนอกจากลักษณะของบ้านจะชวนให้คิดไปในถนองนั้นแล้วก็รู้สึกว่ามีอากาศเจือจางกว่าในใจกลางของภูมิอันเป็นแดนของเรานั้น ท่าทางที่เอ็ดวินนำเราเข้าไปนั้นดูไม่มีความเกรงอกเกรงใจผู้ใดเสียเลยในขณะต่อมาข้าพเจ้าก็ทราบได้ทันทีว่าบ้านนี้ก็คือบ้านของเขานั่นเองเราได้ต่อว่าเขาในข้อที่มีแย้พลพรให้รู้มาก่อนเลยซึ่งเขาก็รับว่าก็ยังไม่ต้องการให้รู้ในเมื่อยังไม่ถึงเวลาอันสมควรเมื่อพูดถึงเรื่องการงานที่กะว่าจะทาสาหรับข้าพเจ้านั้น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 เขามีงานที่ข้าพเจ้าทำรออยู่แล้วคือหน้าที่ประคับประคองวิญญาณของชาวโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์ซึ่งเป็นงานประเภทเดียวกันกับที่เขาได้กระทำอยู่ตลอดมานั่นเองเมื่อได้ยินเช่นนี้ข้าพเจ้าก็บอกไม่ถูกว่ารู้สึกเต็มใจหรือไม่อย่างไรทั้งนี้เป็นด้วยความวิตกเสีมากกว่าข้าพเจ้าเองก็รู้สึกตัวว่าพึ่งมาถึงโลกนี้ได้ไม่นานนัก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 บุคคลเหล่านี้เมื่อเวลาเห็นความตายมาถึงก็ได้รับความทุกข์ทรมานและความหวาดหวั่นโดยไม่สมควรสู่อบายภูมิเบื้องสูงคือชั้นแรกเอ็ดวินได้กล่าวชวนเราทั้งสองว่าเนื่องจากเขาเห็นว่า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 เดินทางผ่านอนณาเขตแห่งภูมิของเราไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็เข้าสู่อนณาเขตของอบายภูมิณที่นี้เอ็ดวินได้กล่าวเตือนว่าเราจะรู้สึกเยือกเย็นไปตลอดร่างเช่นครั้งก่อนแต่เราจะกำจัดความรู้สึกเช่นนี้เสียได้โดยตั้งใจอธิษฐานจิตสลัดมันออกไปเสียเขาได้จับมือของเราทั้งสองไว้คนละข้างขาพเจ้าเหลือมองดูที่เสื้อผ้าของเรา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 ก็ไม่มีปรากฏให้เห็นเลยแม้แต่น้อยท้องฟ้าเบื้องบนแลดูครึ้มและมืดมนอากาศเยือกเย็ยนยิ่งขึ้นทุกขณะเบื้องหน้าเรามีหมอกสีขาวจางๆขวางหน้าอยู่ยิ่งเข้าไปใกล้ก็ปรากฏว่าหมอกนี้ได้ทวีความหนาทึบมากขึ้นทุกทีทําให้รู้สึกว่าเป็นเสมือนมีแม่หมอกอันชื้นแฉมีน้ําหนักและแรงดันผิดปกติกดทับอยู่โดยรอบกาย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 สักพักใหญ่หมอกนี้ก็ค่อยจางลงและในที่สุดก็สามารถเห็นภูมิประเทศรอบด้านได้ดีขึ้นกว่าเดิมบัดนี้เราได้มาอยู่ถ้มกลางพื้นแผ่นดินที่อ้างวางและแห้งแล้งอย่างสุดที่จะประมาณได้ชา้ชาช้านานๆจะเห็นบ้านนันซอมซ่อตั้งอยู่โดดเดี่ยวห่างๆกันสักหลังหนึ่งและดูแต่ไกลก็รู้สึกทุเรศเหลือประมาณ เดินกันต่อมาอีกไม่นานเราก็พากันมาถึงบ้านหรือจะเรียกให้ถูกก็คือกระท่อมโกโรโกโซเข้าหลังหนึ่งอบายภูมิขั้นแรกหรือขั้นสูงอบายภูมิขั้นนี้เป็นภูมิติดต่อกันกับภูมิสูงฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าแม้จะปราศจากความเจริญแต่นับว่าเป็นอบายอย่างหนึ่ง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 ซึ่งมีระดับต่ำเหลือประมาณนั่นเองความยากจนชนิดนี้ร้ายแรงกว่าความยากจนในทางวัตถุมากมายนักเพราะเราไม่สามารถหาวัตถุใดๆมาเป็นเครื่องบำบัดความรู้สึกอันต่ำทามเช่นนี้ได้เลยเมื่อเราเข้าไปภายในห้องความหนาวเย็นแทนที่จะลดน้อยลงไปก็กลักยิ่งเพิ่มทวีขึ้นอีกซึ่งทั้งนี้เอ็ดวินกล่าวว่า เป็นเพราะสภาวะแห่งจิตใจของเจ้าของบ้านนั่นเองที่ทำให้เป็นเช่นนี้ในห้องหลังเราเห็นบุคคลผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ลำพังผู้เดียวเขาไม่ได้ลุกขึ้นหรือแสดงกิริยาอาการว่ายินดีต้อนรับพวกเราแต่อย่างใดรูดกับข้าพเจ้าคงยืนอยู่ห่างๆปล่อยให้เอ็ดวินและเจ้าหน้าที่ของภูมินี้เดินตรงเข้าไปสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของบ้าน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 จึงจะสมควรดํารงชีวิตอยู่ได้จริงอยู่ก็าส่งเงินไปร่วมการบําเพ็ญกุศลต่างๆไม่น้อยเหมือนกันแต่เขาก็จะเลือกส่งเฉพาะที่จะนําชื่อเสียงมาให้หรือจะนําผลประโยชน์ตอบแทนมาให้เขามากกว่าที่เขาลงทุนไปเท่านั้นเขาช่วยเหลือเจือจานกิจกรรมทางศาสนาด้วยความเข้มแข็ ง, เ อ, งเอาจริงเอาจังแสดงถึงความเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งพราะเขารู้ว่า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 เขาได้กระทํากิจการอย่างใดด้วยน้าใจเสียสละอย่างแท้จริงแม้สักครั้งเดียวจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของการทําบุญของเขาทุกครั้งก็คือต้องการให้ตัวเด่นขึ้นซึ่งเขาก็ได้รับผลสมประสงค์จริงๆในโลกมนุษย์แต่ก็เป็นความสําเร็จที่มีราคาแพงเหลือเกินเพราะในเมื่อเขาได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้เขาก็ได้รู้ว่าความสําเร็จจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้น ได้เป็นต้นเหตุแห่งความยากแค้นแสนสาหัสดังเช่นที่เขากำลังประสบอยู่นบวันนี้ด้วยเหตุดังกล่าวมาเขาจึงได้รับความโกรธแค้นเสียใจยอย่างมากมายเมื่อได้รับผลอันคาดไม่ถึงในโลกนี้ในทัศนะของเขาถือว่าเขาได้มีชีวิตอันดีงามสมควรเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังได้จริงๆเขาจึงไม่เข้าใจว่า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 เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้นยอมได้ผลอนิสงส์ใหญ่ ย, ยิ่งกว่าการทำบุญด้วยเงินเป็นจำนวนมากเพื่อหวังผลในทางหาคะแนนนิยมให้แก่ตัวผู้กระทาเองเป็นไหนไหนในปัจจุบันจิตใจของบุคคลผู้นี้ถูกกลุ่มรุมด้วยความโกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งดูเหมือนจะยิ่งทับทวีมากขึ้นทุกทีทั้ทงนี้เพราะเมื่อสมัยเป็นมนุษย์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 ที่เอ็ดวินได้สังเกตเห็นว่าดูข้อเสียงอ่อนลงบ้างและมีท่าทางว่าพอจะกลับใจได้ทีละน้อยในขั้นต่อไปซึ่งทั้งนี้เอ็ดวินได้กล่าวว่าอาจเป็นเพราะอิทธิพลแห่งจิตใจอันเต็มไปด้วยความการุณาปราณีของรูทซึ่งได้แผ่ออกมาโดยที่เจ้าตัวมิได้รู้สึกก็เป็นได้นี้เป็นรายแรกแห่งประจักษ์พยานอันแสดงถึงความทุกข์ทรมาน ของผู้อยู่ในอบายภูมินี้แม้จะเป็นขั้นที่ยังสูงกว่าส่วนอื่นก็ตามอย่างไรก็ดีในขณะที่เรายังไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้มากกว่านี้จึงต้องปล่อยเวชเช่นนั้นก่อนแล้วเราทั้งสี่ก็ออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่แดนอบายภูมิลึกเข้าไปทุกขณะหมายเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียง สำหรับบทนี้ข้อนาสังเกตก็คือในอบายภูมิของท่านความหนาวคือตัวแทนความทุกข์ทรมานซึ่งจะผิดกับนรกในความคิดของมืองร้อนอย่างพวกเรานะครับที่เมื่อนึกถึงนรกต้องนึกถึงอากาศร้อนอบอ้าไวไปเผาให้ทรมานเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตเพื่อให้เห็นได้ชัดถึงความจริงที่สภาพแวดล้อมแตกต่างตามความสงจาความเคยชินแต่ความทุกข์ที่ได้รับทางใจนั้นไม่ต่างกัน การตายละฟื้นมาเล่าเรื่องในนรกจากคนหลายชาติจึงอาจต่างกันได้อย่างมากมีข้อสังเกตที่สําคัญคือสภาพนรกที่ท่านบรรยายมานั้นปรับเล่ามาตรงกับคติทางพุทธที่เรียกนรกว่าเป็นขุมมีสภาพเหมือนหลุมลึกลงไปในแววเสียงสวรรค์มีตอนหนึ่งที่เล่าถึงเรื่องต้นงิ้วท่านอธิบายว่าคนไทยตายไปแล้วเห็นต้นงิ้วฝรั่งตายไปไม่เห็นแต่จะเห็นหรือไม่ ทั้งคู่ก็ได้รับความทุกข์ในระดับเดียวกันความเชื่อไม่มีผลต่อระดับความทุกข์หรือสุขแต่มีผลต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแค่นั้นแม้คนที่ไม่เชื่อว่านรกมีจริงเมื่อไปเกิดใ น, นรกหรือภูมิต่ำก็ต้องรับทุกทุกคนเหมือนไฟนะครับเชื่อไม่เชื่อว่าร้อนเมื่อจับโดนก็ร้อนทุกคนในเรื่องนี้ก็น่าสงสารเยรุ่นจํานวนมากจากที่เคยเห็นเขาแสดงความคิดเห็นกันว่าจะเลิกนับถือศาสนาพุทธ เพราะจะได้ไม่ผิดศีลไม่ต้องลงนรกจะได้กินเล่าบากามค่าสัตว์ได้เต็มที่เพราะศาสนาอื่นไม่ห้ามซึ่งนับเป็นมิจฉาทิฐิรุนแรงมากที่บางทีก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเรามีหน่วยงานทางด้านศาสนาและมีกระทรวงศึกษาไว้ทําไมถ้าหากไม่สามารถให้ประชากรจํานวนมากเข้าใจศาสนาได้อย่างถูกต้องหรือมีศีลธรรมและไม่งม ง, งายได้อย่างทุกวันนี้เอาแค่วัดที่สอนผิดเพี้ยนมีเทพเจ้านอกศาสนายุ่งแต่เดรัจฉานวิชา หม่อมมาประชาชนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีอยู่มากมายเกินจะทำใจได้ว่านี่เราเป็นเมืองพุทธมีหน่วยงานดูแลทางด้านศาสนาที่ต้องทุ่มงบประมาณจำนวนมากไปเพื่ออะไร